เมื่ออุตรามานกกล่าวเอ่ยกล่าวอย่างนี้แล้วพรหมายุพรามก็ลุกขึ้นจากที่นั่งห่ผมผ้าเฉวียงบาข้างหนึ่งปนมอัญชลีไปทางที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่แล้วเปล่งอุทานขึ้นสามครั้งว่าณโมตสะพะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นเนี่ยคถาณโมตสะเนี่ยอันเราก็มาว่าตาม พรหมายุพรามหมนะพรหมายุพรามเป็นคนกล่าวใช่ไหมนะโมตสะพะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะเจอคนต้นเขาแล้วนะมาจากไหนนะบอกถามว่านะโมนี่มาจากไหนมาจากพรหมายุสูตรเหมือนกันแล้วก็คิดว่าเอ๊ะไหนเนาะเราจะเพ่งได้สมาคมกับท่านพระคราดมพระองค์นั้นสักครั้งคราว ฉนั้นเนาะเราจะเพึงได้เจราจาปราศัยสักหน่อยหนึ่งอยากเห็นพระพุทธเจ้าจริงเลยว่าท่านดีจริงๆเลยนะขณะให้ลูกเสดไปเสิบมาตั้งเจดเดือนเนี่ยได้ข่าวเขาวิาววเศษอยากจะพูดอยากจะเห็นอยากจะคุยด้วยบ้างครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคก็เสดไปในวิเทหชนบทโดยลําดับเสดไปถึงเมืองมิถิลาได้ทราบว่าณนะที่นั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสดประทรับอยู่ณนะมฆะะเทวอัมภวันใกล้เมืองมิถิลา พรามและครหบดีชาวเมืองมิถิลาได้สดับข่าวว่าพระสมณะโคโดมสกยะบุตรทรงผนวดจากสากยะสกุลเสด็จเที่ยวจาริกไปในวิเทหะชนบทพร้อมด้วยพิกษุสรงมูใหญ่ประมาณห้าร้อยรูปสเสด็จไปเมืองมิถิลาแล้วประทับอยู่ณะมะขะเทวอัมภวันใกล้เมืองมิถิลาแล้วก็กิติศัพท์อันงามของท่านพระโคโดมพระองค์นั้นขจรไปแล้วอย่างนี้ว่า แม้เพราะเหตุนี้แม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหังเป็นพระอรหันต์สัมมาสัมพุทโธตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองอย่างเงี้ยก็ความก็ละพระองค์นั้นเป็นผู้เบิกบานแล้วเป็นผู้จำแนกพระธรรมทรงรำโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกมารโลกให้แจ้งชัดด้วยพระปัญญาอันยิ่งของพระองค์เองแล้วส่งสอนหมูสัตว์พร้อมทั้งสัมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ให้รู้ตาม ทรงแสดงธรรมะอันงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดทรงประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัฏฐะพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงก็การได้เห็นพระอรหันต์ทั้งหลายเห็นปานนี้ย่อมเป็นความดีแลใครบอกโอ้เห็นท่านก็เป็นมงคลแล้วนะขอให้ได้เห็นก็ย่างดีอ่ะเรียกว่าคล้ายๆกับเป็นบุญตานะสำนวนเขาเป็นบุญตาก็คือให้กุศลวิบากได้เกิดขึ้นนะจากครูวิญญาณนี้ถ้าเห็นพระพุทธเจ้าก็เป็น กุศลวิบากนะสัมปติชนะจิตก็เป็นกุศลวิบากสันติรณจิตนี่ไม่ธรรมดาเลยนะเป็นโสมนัสสันติรณโอ้ถ้าหากว่าดูตถารมณวาระกับโสมนัสตถารมณะมาเกิดต่อยแต่ถ้าหากว่าผู้ที่เป็นมิจฉาทิฐิก็เป็นโทสะมองเห็นผู้เที่ยวเนี่ยโทสะเกิดเลยนะใครว่าเฮ้ยสมณนโคดมนี่มาทําให้ลาภสการะเราหมดไป <laughs> ผู้ที่เป็นมิจฉาทิฏฐิก็ไม่ชอบนะไม่ชอบ คนก็ไม่ได้ชอบพระพุทธเจ้ากันทั้งหมดแต่ว่าคนที่มีศรัทธาที่เขามีอุปนิสัยก็มีศรัทธาลําดับนั้นแลพราหมณ์และเครือหับดีชาวเมืองมิถิลาได้พากันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับครั้นแล้วบางพวกถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็นั่งอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งบางพวกได้ปราศัยกับพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นผ่านการปราศัยพอให้ระลึกถึงการไปแล้วจึงนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งบางพวกประนมอัญชลี ก็คือยกมือไหว้ไปทางพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็นั่งนาทีควรส่วนข้างหนึ่งบางพวกก็ประกาศชื่อและโคตในสำนักพระผู้มีพระภาคเจ้านะพวกที่ตระกูลดีๆนะก็คืออยากจะโชว์นามสกุลมานานแล้วตอมีโอกาสนี้คนมาเยอะๆก็จะได้ประกาศนามสกุลให้คนอื่นก็ได้ยินบ้างเหมือนกันแต่จนน่นะไม่มีใครพูดถึงก็บอกชันตระกูลเก่าแก่นะอะไรเงี้ยก็เลยประกาศชื่อโคตให้ฟังหน่อย แล้วก็นั่งณนะที่ส่วนข้างหนึ่งส่วนบางพวกก็นั่งนิ่งณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งไอ้พวกบางคนเนี่ยไปถึงก็นั่งนิ่งเลยก็บอกเฮ้ยไปคุยกันคำสองคาเดี๋ยววันหลังเราต้องให้ทานปณิริยะนะไม่อยากพูดคุยด้วยถ้าคุยแล้วก็ต้องให้ต้องบริจาคต้องอะไรเฉยดีกว่านะอย่าอย่าสนิทเล ย, ย น, นับางพวกไปนี่ก็บอกเออถ้าพวกดีว่าดีก็ดีด้วยบางพวกว่าไม่ดีเราก็ไม่ดีด้วยพรมายุพรามได้สดับข่าวว่าพระสมณะโคดมสกฤชบุตรทรงผนวจจากส ใกล้เมืองมิถิลาครั้งนั้นแลพรมายุพราหม์พร้อมด้วยมานกเป็นอันมากนะเขาเป็นอาจารย์ใหญ่เพราะฉะนั้นลูกศิษย์ลูกหาเขาเยอะแล้วก็พากันเข้าไปยังมรคเทวะอัมภวันลําดับนั้นพรมมายุพราหมณ์ได้มีความคิดขึ้นในที่ไม่ไกลมรคเทวะอัมภวันว่าการที่เราไม่ทูลให้ทรงทราบเสียก่อนเพิ่งเข้าไปเฝ้าพระสมณะโคดมเนี่ยไม่สมควรแก่เราเลย คือแล้วว่าจะไปหาก่อนโดยที่ไม่เล่าบอกกล่าวเล่าให้ฟังก่อนไม่เหมาะสมใช่ไหมเพราะว่าบางทีนี้อาจจะอยู่ในอาจจะทำยกิจอย่างอื่นอยู่ซึ่งก็ไม่พร้อมที่จะจะรับะนะเพรา ะ, ะนั้นคนที่เขารู้ธรรมเนียมก็ไปบอกข่าวซะหน่อยว่ามีคนมาหาหวังกันลําดับนั้นพรมายุพรามก็เรียกมานกคนหนึ่งมากล่าวว่ามานี้เนี่พ่อมานกพ่อจงเข้าไปเฝ้าพราะสมณะโคโดมถึงที่ประทับแล้วจึงทูลถามพระสมณะโคโดม ถึงความมีพระอ า, าพาธน้อยมีพระโรคเบาบางทรงกระปี้กระเป๋าทรงมีพระกําลังทรงพระสําราญตามคําของเราว่าข้าแต่ท่านพระโคโดมพรห ม, มายุพราหมณทูล ถ, ถามท่านพระโคโดมถึงความมีพระอ า, าพาธน้อยมาความก็ละทรงพระสําราญแล้วก็จงทูลอย่างนี้ว่าข้าแต่ท่านพระโคโดมพรห ม, มายุพราหมณ์นี่เป็นคนแก่เท่าเป็นผู้ใหญ่ล่วงการผ่านวัยมาแล้วโดยลําดับมีอายุได้ร้อยยีปีแต่กําเนิดเกิดมา โอ้อายุสูงจริงๆเลยนะของเรานี่ครึ่งเดียวพอแล้วเนอะรู้จบได้เพศพร้อมทั้งคัมภีร์นิคันดูและคัมภีร์เกตุพระพร้อมทั้งประเภทอักษรมีคัมภีร์อิตธิหสะเป็นที่หเข้าใจตัวบทเข้าใจไวยากน์ชำนาญในคัมภีร์โลกายะตะและตำราทํานายมหาปริศลักษณะข้าแต่ท่านผู้เจริญพราหมณ์และเครือข บ, บดีมีประมาณเท่าใดย่อมอยู่อาศัยในเมืองมิถิลาพร ม, มายุพรามเนี่ยปรากฏว่าเลิศกว่าพราหมณ์และเครือข บ, บดีเหล่านั้นเพราะโภคะ เมืองนี้เนี่ยพรมยุพราหมรวยที่สุดแบบนั้นเพราะมนหัวใบที่สุดเรียนมากที่สุดฉลาดที่สุดรบบนั้นและก็อายุอ้อายุแก่ที่สุดแบบนั้นร้อยยี่สิบปีในแก่ที่สุดในเมืองนั้นแล้วก็ยศคือมีบริวารมากที่สุดนั้นเพราะฉะนั้นท่านปรารถนาจะเข้าเฝ้าท่านพระโคดมมาน์นั้นก็รับถ้อยคําของพรมอายุพรามรุและเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับได้ปราศัยกับพระผู้มีพระภาคเจ้า ครั้นผ่านการปราสายพอให้ระลึกถึงการไปแล้วก็ได้ยืนอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่ท่านพระโคดมพรมมายุพราหมณ์ทูลถามท่านทัคโคดมถึงความมีพระอาภัตน้อยความกุลละทรงพระสําราญข้าแต่ท่านทัคโคดมพรมมายุพราหมณ์เป็นคนแก่เท่าเป็นผู้ใหญ่ก็เล่ากิติศัพท์ของพรมมายุพราม์ให้ฟังก่อนท่านปราถนาจะเข้าเฝ้าท่านพระโคดมพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่ามานุ พรห ม, มายุพรามย่อมรู้การอันควรณบัดนี้เถิดอย่านั้นพิจารณาเอานะเอาเอ า, เอาการที่เหมาะสมครั้งนั้นแลมานพนั้นก็เข้าไปหาพราหมณ์ถึงที่อยู่ครั้นแล้วก็ได้กล่าวกับพรห ม, มายุพราหมณ์ว่าท่านเป็นผู้อันพระโคโดมประทานโอกาสแล้วจงรู้การอันควรในบัดนี้เถิดลําดับนั้นพรห ม, มายุพราหมณ์ก็เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าบริษัทนั้นได้เห็นพรห ม, มายุพรามมาแต่ไกลจึงรีบลุกขึ้นให้โอกาสตามสมควรแก่ผู้มีชื่อเสียงมียศ โอ้โหเห็นคนใหญ่คนโตมานะคนที่มานั่งก่อนนี่รีบหลบกันเป็นแทบๆเลยนะครั้งนั้นพร ม, มายุพรามก็ได้กล่าวกับบริษัทนั้นว่าอย่าเลยท่านผู้เจริญทั้งหลายเชิญท่านทั้งหลายนั่งบนอาสนะของตนของตนเราก็จะนั่งในสำนักแห่งพระโคโดมนี้ลําดับนั้นพร ม, มายุพรามก็ได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับได้ปราศัยกับพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นผ่านการปราศัยพอให้ระลึกถึงการไปแล้วจึงนั่งหน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ทานแล้วก็ได้พิจารณาดูมหาปริศลักษณะ32ประการในพระกายของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ได้เห็นมหาปริศลักษณะสาสองประการโดยมากไปถึงนี่ยังไม่เชื่อลูกศิษย์เลยนะเช็คตรวจสอบเองเลยใช้มนตรวจสอบดูมนคืออะไรรู้ไหมมนนี่ไม่ได้เป็นคาถาเวทมนต์คาถาหนชาลีติอะไรไม่ใช่หรือก็คือเป็นเป็นคำเป็นบทนะเป็นคำพีที่ไว้คอยตรวจสอบอะนะครับเป็น เครื่องมือในการตรวจสอบเป็นวิชาในการตรวจสอบว่าบุคคลนี้เป็นพระพุทธเจ้าจริงไหมก็ใช้วิชาที่เรียนมาเนี่ยมาตรวจสอบลักษณะต่างๆทีนี้เว้นอยู่สองประการที่ยังไม่เห็นก็คือพระคุยหาฐานอันเฟ้นอยู่ในฝักและก็พระชิวหาใหญ่ยังเคลือบแคลงสงสยัยไม่น้อมใจเชื่อไม่เลื่อมใสในพระมหาบริศลลักษณะสองประการเฮ้ยมสำคัญยังไงนะอยากดูเหลือเกิน ลำดับนั้นพอมมายุพรามก็ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยคาถาว่านะเขาเป็นผู้ใหญ่ใช่ไหมเขาพูดนี่ไม่พูดสำนวนธรรมดานะเขาแต่งเป็นสโสกเลยถ้าไปเจอกันสมัยนี้ก็เหมือนกับกรอนสดะนะไปถึงก็ประพันธ์เป็นคำกรอนแล้วถามถามเป็นคํากรอนเอาไม่คุยเป็นภาษาคุยกันธรรมดาบอกแต่ว่ามาเป็นไทยแล้วฟังไม่เป็นกรอนเลยข้าแต่พระโคดม ง, งั้นมหาปริศลักษณะอันข้าพระเจ้าได้สดับมาว่า32ประการแต่ยังไม่เห็นอยู่สองประการในพระกายของพระ อ, องค์ท่าน ข้าแต่พระองค์ผู้สูงสุดกว่านรชนพระคุยหาฐานของพระองค์ท่านเนี่ยเลนอยู่ในฝักที่ผู้ฉลาดกล่าวว่าคล้ายนารี น, นะเราอยู่ในฝักเหมือนผู้หญิงอ่ะนารีแปลว่าผู้หญิงนะหรือพระชิวหาได้นรลักษณ์หรือคือนาระเนี่ยแปลว่ามนุษย์ะนะลักษณะของมนุษย์หรือลิ้์น่ยมนุษย์ของมหาบุรุษหรือพระองค์นี้มีพระชิวหาใหญ่หรือฉะไหนข้าพระองค์จึงจะทรงทราบจึงจะทราบความข้อนั้นขอพระองค์ ทรงค่อยแนะนําพัลลศน์นั้นออกขอได้โปรดทรงกําจัดความสงสัยของข้าพระ อ, องค์เถิดข้าแต่ท่านฤาษีถ้าพระ อ, องค์ประทานโอกาสข้าพระเจ้าจะทูลถามปัญหาที่ข้าพระเจ้าปรารถนายิ่งอย่างหนึง่งเพื่อประโยชน์เพื่อกูลในปัจจุบันและเพื่อความสุขในสัมปะยาภพฝั่งั้นก็คืออยากจะเห็นนะถ้าเห็นแล้วก็เชื่อแล้วก็จะได้ถามปัญหาถ้ายังไม่เห็นก็ยังไม่ถาม ครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงพระดําริว่าพรหมายุพราหมณ์นี้เห็นมหาปริศลักษณะ32ประการของเราโดยมากเว้นอยู่สองประการคือคุยหาฐานอันเร้นอยู่ในฝักหนึ่งเล้นใหญ่หนึ่งยังเคลือบแคลงสงสยัยไม่น้อมใจเชื่อไม่เลื่อมสายในมหาปริศลักษณะสองประการลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบันดาลอิทธาพิสังขารแสดงฤทธิ์ให้พรหมายุพราหมณ์ได้เห็นพระคุยหาฐานอันเร้นอยู่ในฝัก และทรงแลบลิ้นคือแลบพระชิวหาเนี่ยสอดเข้าในช่องพักกันกันก็คือหูทั้งสองกลับไปกลับมาสอดเข้าในช่องนาสิกทั้งสองกลับไปมาหรือช่องจมูกทรงแผ่ปิดทั่วมณฑลท่านนาลาดนาลาชคือหน้าผากของเรานี่แลบยังไงก็ไม่ถึงอย่าแลบเลยพระผู้มีพระภาคก็ได้ตัดกับพรามณ์นั้นด้วยพระคถาว่าดูก่อนพราหมณ์มหาปริศลลักษณะที่ท่านได้สดับมาว่า32ประการนั้นมีอยู่ในกายของเราครบทุกอย่าง ท่านอย่าสงสัยเลยดูก่อนพราหมณ์สิ่งที่ควรรู้ยิ่งเรารู้ยิ่งแล้วนะอะไรคือสิ่งที่ควรรู้ยิ่งสิ่งที่ควรรู้ยิ่งก็คือนะขันห้าก็ได้ขันห้านี้ควรรู้ยิ่งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่ควรรู้ยิ่งตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ควรรู้ยิ่งสีเสียงกลิ่นรสโภชพระธรรมรมณ์ก็ควร รู้ยิ่งจะคูวิญญาณโสตวิญญาณขานาวิญญาณชิวหาวิญญาณกายาวิญญาณมโนวิญญาณก็ควรรู้ยิ่งภาษาหกเวทนาหกสัญญาหกเจตนาหกพวกนี้ก็เป็นธรรมะที่ควรรู้ยิ่งกสินสิบอ ป, ปมัญญาสี่พวกนี้ควรรู้ยิ่งฝันสิ่งที่ควรรู้ยิ่งทั้งหมดเหล่านี้พระองค์รู้ยิ่งแล้วสิ่งที่ควรเจริญเราก็ได้เจริญแล้วอะไรเป็นสิ่งที่ควรเจริญอรหัตมรักนีนะ่แหละเอาสุดสุดอ่ะ อันเพื่อสิ่งที่ควรเจริญที่สุดก็คืออรหันตมรรคอ่ะพระองค์ก็เจริญแล้วสิ่งที่ควรละพระองค์ก็ละแล้วอันพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหนันตในอะไรที่พระองค์ยังไม่ละเนี่ยไม่มีเพราะว่าพระองค์เนี่ยละได้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นบาปอากุศลละสังกิเลส พ, พร้อมทั้งวาสนาได้ไม่มีส่วนเหลือเพราะเหตุนั้นเราจึงเป็นพุทธน ะ, ะที่เป็นพระพุทธเจ้านะสามคำก็ได้ถ้าเราอยากรู้จักพระพุทธเจ้าคือ สิ่งที่ควรรู้ยิ่งพระ อ, องค์เนี่ยรู้ยิ่งแล้วสิ่งที่ควรละพระ อ, องค์ละแล้วสิ่งที่ควรรู้เจริญเนี่ยพระ อ, องค์ก็เจริญแล้วสรวุปรวบยอดเลยก็คืออริยสัจนั่นแหละพระ อ, องค์เนี่ยแทงตลอดละเอียดทุกแง่ทุ ก, งงทกงงมุมหมดสิ้นแล้วท่านนี้เป็นผู้อันเราให้โอกาสแล้วเชิญถามปัญหาที่ท่านปรารถนาอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์เกื้อกูลในปัจจุบันและเพื่อความสุขในสัมปร이าภพเธออ่นนะเราให้โอกาสท่านแล้วถ้าอยากถามก็ถาม ครั้นั้นพรหมอายุพรามได้มีความดําเริ ว, ว่าเราเป็นผู้อันพระโคโดมป ร, ประทานโอกาสแล้วจะพึงทูลถามประโยชน์ในปัจจุบันหรือประโยชน์ในสัมปรายภพหนอเอคิดดูถามถามปัญหายังไงดีนะคิดนะนะลำดับนั้นพรหมอายุพราหมณได้มีความคิดว่าเราเป็นผู้ฉลาดในประโยชน์ปัจจุบันแม้คนอื่นๆก็ถามถึงเราในประโยชน์ในปัจจุบันนะประโยชน์ธนะรรมหากินทั้งหมดเนี่ยเราเนี่ยแตกชานที่สุดแล้วละ ถ้ากะไรเราพึงทูลถามประโยชน์ในสำปราย์พบกับพระสัมณโคโดมเถิดลำดับนั้นพรมมายุพรามก็ได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยคาถาว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอย่างไรบุคคลจึงชื่อว่าเป็นพราหมณ์อย่างไรจึงชื่อว่าเป็นผู้จบเวทอย่างไรจึงชื่อว่าเป็นผู้มีวิชาสามบัณฑิตกล่าวบุคคลเช่นไรชื่อว่าเป็นผู้มีความสวัสดีย่างไรชื่อว่าพระอรหันต อย่างไรชื่อว่ามีคุณครบถ้วนอย่างไรจึงชื่อว่าเป็นมุนีและบัณฑิตกล่าวบุคคลเช่นไรว่าเป็นพุทธะลักษณะคำถามเขามีแปดข้อพองค์ตอบว่าผู้ใดระลึกชาติก่อนก่อนได้ก็คือบุพเพนิวาสานุสติยานเห็นสวรรค์และอบายก็คือจุตูปปาตายานบรรลุถึงความสิ้นชาติสิ้นชาติก็คืออาสวัค ย, ยานหรืออรหัตผลน่นแหละ ผู้นั้นชื่อว่าเป็นมุนีผู้รู้ยิ่งถึงถึงที่สุดแล้วมุนีนั้นย่อมรู้จิตอันบริสุทธิ์อันพ้นแล้วจากราคะทั้งหลายโดยประการทั้งปวงเป็นผู้ละชาติและมรณะได้แล้วคือทาระกิเลส ท, ที่เป็นเหตุให้เกิดแล้วเนี่ยชาติชารามรณะก็ละแล้วชื่อว่ามีคุณครบถ้วนแห่งพรหมจันทร์พรหมจัรย์คือมรซีเนี่ยมีครบสมบูรณ์แล้วชื่อว่าถึงฝั่งแห่งธรรมะทั้งปวง บัณฑิตกล่าวบุคคลผู้เช่นนั้นว่าเป็นพุทธมีคุณธรรมรวบยอดที่ว่าไปนี่แหละคือพุทธะหรือพระพุทธเจ้านั่นแหละเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วพรหมายุพรามลุกจากที่นั่งห่มผ้าห่มเฉวียงบาข้างหนึ่งซบศีรษะลงแทบพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าจูพระยุคลบาทด้วยปากนวดด้วยฝ่ามือและประกาศชื่อของตนว่า ข้าแต่ท่านพระโคโดมผู้เจริญข้าพระองค์เป็นพราหมณ์ชื่อว่าพรห ม, มายุข้าแต่พระโคโดมผู้เจริญข้าพระองค์เป็นพราหม์ชื่อว่าพรห ม, มายุนี่เป็นวิธีการถึงไตรสนธคมแบบปณิปตาตะโอ้นอบน้อมอย่างยิ่งเลยนะสุดยอดการนอบน้อมนะครั้งนั้นแลบริษัทนี้ก็เกิดความอาัศาจรรย์ใจว่าน่าอัศาจรรย์นะักท่านผู้เจริญไม่เคยมีมาหนอท่านผู้เจริญพระสมณะนี้เป็นผู้มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมาก พรมมายุพราหมณ์นี้เป็นผู้มีชื่อเสียงมียศยังทําความเคารพนอบน้อมอย่างยิ่งเห็นปานี้ครั้งนั้นแหลพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสกับพรมมายุพราหมณ์ว่าพอละพราม์เชิญท่านลุกขึ้นนั่งบนที่นั่งของตนเถิดเพราะจิตของท่านเลื่อมใสในเราแล้วลําดับนั้นพรมมายุพราหมณ์จึงลุกขึ้นนั่งบนที่นั่งของตนครั้งนั้นแหลพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอนุปุพพิคถาแก่พรมมายุพรามนะพระองค์ก็ทรงสแสดง ประกาศทานะกถาแสดงเรื่องทานเหมือนกันอันคนที่ยังท่องเที่ยวอยู่ในวะตะัตฏานี้สิ่งที่สําคัญกว่าทานเนี่ยไม่มีล็อกอันคนที่จะให้ทานแล้วร่ํารวยมีผลมากจะต้องมีศีลเพราะฉะนั้นผู้ที่ได้ทานศีลก็ย่อมไปบังเกิดในสวรรค์สักขะนี่เป็นสวรรค์และแต่ก็สวรรค์ทั้งหลายก็ไม่เที่ยงเหมือนนสวรรค์ก็ไม่เที่ยงกามทั้งหลายก็เหมือนกับอะไรเหมือนกับความฝันนั่นแหละ กามทั้งหลายก็เหมือนกับของขอยืมเข้ามาก็เลยแสดงโทษของกามอันตําซามความเศร้าหมองอันสิ่งเหล่านั้นก็หาความจีรังยั่งยืนไม่ได้หรอกและแสดงอ น, นิสงฆ์ในเนคขมมะคือการสลัดออกจากกามเมื่อเมื่อใดพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบ ว, ว่าพรหมอายุพราหมีจิตคล่องมีจิตอ่อนปราศจากนิวรณ์มีจิตสูงผ่องใสอันนะ เมื่อนั้นจึงทรงประกาศพระธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงยกขึ้นแสดงด้วยพระองค์เองคือทุกสมุทัยนิโรธมรรคอันทุกสมุทัยนิโรธมรรคเนี่ยจะต้องอาศัยจิตที่เบาจิตที่อ่อนก่อนนะไม่ใช่โอ้โหจิตแข็งทืง่อมานั้งคิดเรื่องทุกทุกขสมุทัยนี่คิดไม่ออกเพราะฉนั้นจิตจะต้องเบาจะต้องอ่อนระดับหนึ่งนะเพราะฉะนั้นอ่ะพระองค์จึงแสดงเรื่องอย่างวิสุทธิเนี่ยพระองค์จึงมีสีลวิสุทธิจิตตวิสุทธิใช่ไหม ันการรู้อริยสัจเนี่ยเริ่มตั้งแต่ทิฏวิสุทธิเป็นต้นไปเพราะทิฏวิสุทธิเนี่ยเพ่งถึงทุกขสัจกังขาววิตรณวิสุทธิเนี่ยเพ่งสมุทัยสัจมคามขายานทัศนวิสุทธิเนี่ยเริ่มรู้ว่าโลกยะะิยมขสัจทีนี้ก็เป็นปฏิปทายานทัศนวิสุทธิสุดท้ายก็ญาณทัศ น, นวิสุทธิจึงจะมีการรู้แจ้งอริยสัจ อันปราศจากมนถินเกิดขึ้นแก่พรมมายุพรามณ์ณที่นั้นเองว่ายังกินจิสมุทะยะทำมังสะพันธังนิโรตธรรมมังสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งมวลล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดาเปรียบเหมือนผ้าขาวที่สะอาดปราศจากดำควรรับน้ำย้อมด้วยดีชนัต น, นะพอจิตของพรามเนี่ยเบาอ่อนควรแก่การงานเหมือนผ้าที่ฟอกดีแล้วก็ใส่น้ำย้อมลงไปน้ำย้อมในที่นี้คือ ความรู้เรื่องอริยสัจไม่ใช่ย้อมให้เสียนะไม่ใช่ย้อมให้มันติดในกามหนักกาเก่าไม่ใช่แต่ย้อมด้วยความรู้เรื่องทุกเรื่องทุกขสมุทยัยเรื่อ ง, ท, องทุกขานิโรธเรื่องทุกขานิโรธคามีนีปฏิปทาอันเขาก็บรรลุอริยสัจของเราฟังก็ได้บุญเหมืกนะันเนาะครั้งนั้นแลพรมายุพรามผู้เห็นธรรมแล้วบรรลุธรรมแล้วรู้แจ้งธรรมะแล้วยังทราบแล้ว ข้ามความสงสัยได้แล้วปราศจากความเครือบแคลงมีความแกล้วกล้ามไม่ต้องเชื่อผู้อื่นในคําสั่งสอนของภาษาสดาได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญภาสิทธิ์ของพระองค์แจ่มแจ้งนักข้าแต่พระองค์ผู้ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญภาสิทธิ์ของพระองค์แจ่มแจ้งนักเหมือนหงายของที่คว่าําเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางส่องประทีปในที่มืดเพื่อว่าคนตาดีจะมองเห็นได้ฉันใดว่าไง พระโคดมก็ทรงแสดงทำแจมแจ้งอย่างนั้นเหมือนกันแล้วก็ข้าพระองค์เนี่ยขอขอพระโคดมผู้เจริญนะก็คือขอข้าพระองค์เนี่ยขอถึงพระโคดมพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสารณะเสร็จแล้วขอพระโคดมผู้เจริญโปรดทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกพูดถึงสารณะตลอดชีวิตตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปก็คือมอบกายถวายชีวิตแด่พระพุทธศาสนาอันหนึ่งขอพระโคดมผู้เจริญพร้อมด้วยภิกษุสง์ป ร, รับพระตาหารของข้าพระองค์ในวันพรุ่งนี้เถิดพระเจ้าค่ะ พระผู้มีพระภาคก็ทรงรับอาราธนาโดยดุสเนียภาพนิมนต์ไปฉันเลยอนาแสดงธรรมจบสุดมนไปฉันฉันเช้านะฟังตอนเย็นไปฉันยังไงตอนเย็นครั้งนั้นแลพระ ม, มายุพราหมณ์ก็ทราบ ว, ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับอาราธนาและจึงลุกจากที่นั่งถวายบังคมพระผู้มีพระภาคทําประทักษิณแล้วหลีบไปครั้งนั้นพระ ม, มายุพราหมณ์ได้สั่งให้ตกแต่งข้าทนิยะโภชนิยาหารอย่างประณีตในนิเวศของตนตลอดคืนอย่างรุง่งโหเลี้ยงพระเป็นร้อยๆนะทำอาหารทั้งคืนเนะี่ย แล้วก็ใช้ให้คนไปกราบทูลเวลาพัะตการแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญถึงเวลาแล้วพระเจ้าข้าพระตาหารสําเร็จแล้วครั้งนั้นเป็นเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงครองอันตรวาศกทรงถือบารและจีวรเสด็จเข้าไปยังนิเวศของพรห ม, มายุพราหมณ์แล้วประทับนั่งบนอาสนะที่เขาจัดไว้พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ลําดับนั้นพรห ม, มายุพราหมณได้อังคาาภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข ให้อิ่มหนำพอแกความเพียงพอด้วยขาธิเนยะโภชนิยาหารอันประนีตด้วยมือของตนตลอดเจ็วันโอ้โหในมลฉันเจวันเลยครั้งนั้นพอล่วงเจ็ดวันไปพระผู้มีพระภาคก็เสด็จจา่าฤกไปในวิเทหชนบทอง ก, ก็ย้ายที่ที่อยู่ครั้งนั้นแลเมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จหลีกไปไม่นานพรมมายุพราหมณ์ก็ทํากาลังกัตวากรติตายแล้ว ทางนั้นพิสุเป็นอันมากก็พาการเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วก็นั่งณที่สมควรส่วนข้างหนึ่งแล้วก็ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพรหมายุพราหมณ์ทํากาะละแล้วคติของเขาเป็นเช่นไรพบเบื้องหน้าของเขาเป็นเช่นไรพระเจ้าขา้าพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าภิกสุทั้งหลายพรหมายุพราหมณ์เป็นบัณฑิตได้บรรลุธรรมะตามลําดับธรรมะ ก็คือบรรลุโสดาสกะทาคาอนาคามีมักตามลําดับนะไม่เบียดเราไม่เบียดเบียนเราให้ลําบากเพราะเหตุแห่งธรรมะเลยพรหมายุพราหมณ์เป็นอุป ป, ปาทิกะคือเป็นพระอนาคามีตายแล้วปฏิสนธิในสุทาวาสนู่นจากปรินิพานในภพนั้นมีอันไม่กลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดาไม่มาไม่จากสุทาวาดโดยการจุติคือไม่จุติมาสู่กามะภพอีกแล้วเพราะฉะนั้น เพราะสังโยชน์เบื้อ ง, องต่ําของของท่านเนี่ยนะสังโยชน์เบื้องต่ำห้าท่านหมดไปแล้วสกายยะทิฏฐิความสําคัญว่ารูปนามขันห้าเป็นอัตตาหมดแล้ววิจิกิจฉาความเคลือบแคลงสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ความเคลือบแคลงสงสัยในอริยมรรคอริยผลและนิพพานไม่มีแล้วสงสัยในพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในศาสนาของพระผู้มีพระภาคไม่มีแล้วแล้วก็ละสกายยะทิฏฐิ วิจิกิจชาดสีละพระตะปราเมาิดข้อปฏิบัติอื่นนอกจากอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8ท่านก็ละได้แล้วและละกามราคะความติดใจเพลิดเพลิน ด, ด้วยอำนาจกิเลสในรูปเสียงกลิ่นรสโภชภะและก็ละโทสะความกโกรธเหมือนกัน ล, ล, ละความกโกรธได้เด็ดขาดก็เป็นพระอนาคามีจุติปัปปติสุนที่ในสุทาวาสเมื่อพระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระพุทธพจน์นี้แล้วพิสูจนเหล่านั้นมีใจชื่นชมยินดีพระภาสิทธพระผู้มีพระภาคเจ้าฉะนี้แล นะพรหมายุพรามเนี่ยนะเขาถึงไตรสารณคมด้วยการโหจูพระบาทพระผู้มีพระภาคเลยนะเลื่อมใสามากเพราะฉะนั้นของเรานี่ได้ศรัทธาตามระลึกนึกถึงคุณของพระองค์ว่าเป็นพราละหันสวดมน์ไหว้พระก็นึกถึงพระคุณต่างๆเหล่านี้เราก็เชื่อว่ามีพระรัตน์ตรายเป็นเกาะเป็นที่พึ่งเป็นที่เคารพเป็นที่ยำเกรง